ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าผู้มี ธรรมะถ้าใครจะเลื่อมใสในธรรมเนี่ยนะเลื่อมใสายในศีลพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยศีลถ้าผู้ใดจะเลื่อมใสในสมาธิพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิถ้าผู้ใดจะเลือ่อมสในปัญญาพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญ า, าผู้ใดจะเลือญญอเญญเล่อมสายในวิมุตติวิมุตติยานทธสนาันนั้นะเลือ่อมสายในโพธิปัญญกขยธรรมสติปฐานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรพละโพชฌงจะจะเลื่อมใสในพร ะ, ระ samples, รพระุทธคุณเหล่าใดเหล่าใดพระธรรมเหล่าใดเหล่าใดธรรมเหล่านั้นมีครบถ้วนสมบูรณ์ใน พระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์นี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรอบด้านมันจะมองในแง่ใดมุมใดเขาเรียกว่าเลื่อมใดเหลี่ยมใดพระองค์ก็น่าเลื่อมใสโดยรอบด้านเรียกว่าพระองค์เป็นสมันตะตาสาธิกาฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อมีโอกาสได้บวชเข้ามาะนะได้บวชเข้ามาเห็นพระพุทธคุณพระพุทธกิจเป็นต้นของพระพุทธเจ้าท่านก็ยิ่งเลื่อมใส ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะ ก็เกิดปีติแต่ปีติเหล่านั้นเนี่ยนะอย่างสัตว์เหล่าอื่นเนี่ยนะเมื่อมีปีติอาศัยปีติเป็นบาตให้เกิดการตรัสรู้ปีติเป็นที่ตั้งแห่งนิเพทภ า, ภาคยะสําหรับบางท่านบางท่านปีติเป็นเหตุให้เกิดบุญวาสนาต่อต่อไปบางท่านก็เป็นปีตั้งปีติเพื่อให้ได้ลาบยศสรรเสริญ แต่สำหรับพระโพธิสัตว์อาศัยบุญบุญที่ทำให้เกิดปีติหรือปีติในบุญในบารมีของท่านปีติอนนั้นท่านตั้งไว้เพื่อเหตุแห่งพระโพธิญาณนะเอาปีตินี่แหละเป็นบาปปีติเป็นเหตุโพธิญาณเป็นผลวันขอปีติในพุทธคุณทั้งหลายจงเป็นปัจจัยเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเธอเนี่ยนะวันบุญทุกชนิดเนี่ยน้อมไปเพื่อ โพธิยานโดยประการทั้งปวงนะหมายถึงว่าเจตนาบุญทุกประเภทบุญไม่ว่าจะเป็นบุญทานศีลเนคคำ ม, มะปัญญาวิริยะน้อมเอาบุญเหล่านั้นเพราะเหตุแห่งโพธิยานทั้งหมดแม้นปีตินั้นถามว่าปีติมาจากไหนก็มาจากศรัทธามาจากศีลอั้นผู้ที่มีศรัทธานั้นเป็นผู้มีสุตตะมากอันโดยลักษณะของผู้มีสุตศรัทธานั้นจะชอบฟังนะมีศรัทธาที่จะฟังเพราะการฟังเป็นที่ตั้งแห่งความผ่องใสแห่งใจ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 แต่สาหรับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายตั้งเป้าหมายเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวเวสภูพระองค์นั้นทรงทราบว่าพระโพธิสัตว์นั้นมีจิตใจไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ในการสร้างเหตุเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกท้อไม่รู้สึกไม่เบื่อไม่น่ายะนะไม่คลายไม่มีอะไรทําให้ท่านคลายความเพียรลงไปได้ อั น, นแล้วศรัท ธ, ธาเหล่านี้มีแต่ว่าอะไรนะวิเศษภากคยะการเจริญบุญเนี่ยมีอยู่โดยปกติมีอยู่4ี่กลุ่มด้วยกันบางพวกเจริญบุญประเภทหานภะากคยะรอวันเจ้งว่างันันนะั้นเหมือนกับว่าเปิดร้านทางโลกก็เปิดรอวันเจ้งวันล้มละลายแตกสลายไปยงั้นน่ะบุญของบางท่านก็ลักษณะนั้นเรียกว่าหานภะากคยะทําไปก็ทํารอวันเลิกว่าเอ๊หาเหตุผลยังไงนะจะเลิกเรียนธรรมะได้ หาเหตุผลบางคนหาจนได้ช่องก็เลยเลิกเรียนธรรมะก็ไม่ใช่น้อยนะนะก็ก็มีเหตุผลจะจนเลิกเรียนคำสอนอันนี้ เ, เรียกว่าประเภทหาณภาคยะบางพวกก็อนุรักษ์นิยมได้เหมือนเดิมัเรียนกี่ปีกี่ปีก็ฉลาดคล้ายๆเหมือนเดิมศรัทธาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าถิตภาคยะบางพวกเป็นกลุ่ม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 กุคุณธรรมเจริญโพธิปัจจยธรรมรวบรวมโพธิปัจจยธรรม น, นะจนเกือบเต็มเตี่ยมพระองค์ก็จะประทับนั่งณนะต้นโคนต้นอชาปาลานิโครตต้นไรเนี่นย น, นะรับเข้ามาทุปายญาตนะที่นั้นก็เสด็จเข้าไปยังแม่น้ําเนรัญชราพระชินพะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปายญาติที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราเสด็จดําเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโรพเพลก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 จกมีอักระสาวกชื่อว่าโกลิตะและอุปติสะ น, นะสาวกเหล่านั้นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นคงที่พระองค์มีพุทธอุปถาคอยบำรุงอยู่โดยปกติชื่อว่าพระอานันะเป็นเอตทักคะในด้านการอุปถาหรือบำรุงท่านผู้นี้จะมีพระอักระสาวิกาอันนะเลิศคือพระเขมาและอุบลวันนา ผู้อัครส า, าวิกายนั้น น, นะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นก็คือเป็นพระอรหันต์โพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัสศทะหรือว่าต้นโพใบหรือว่าเป็นต้นตระกูลไซชนิดหนึ่ง น, นะไม้โพนี่เป็นไม้ไซเนี่ยนะเป็นพันธุไม้ไซชนิดหนึ่งเรียกว่าไซกลุ่มหนึ่งที่มีใบแบบนี้ อัคระอุปถาชื่อว่าจิตตาและหัตถอลาะวะกะอัคราอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นจะมีพระชนมาายุร้อยปี เ, เกิดในสมัยคนมีอายุร้อยปีทีนี้พระองค์พยากรณ์นั้นนะอย่าลืมว่าคําพูดของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์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 ขอตรัสรู้ในอนาคตเนี่ยนะก็รู้ว่าตัวเองไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างคล้ายๆบอกว่าคนจะไปสังเวชนียสถานไอ้ใจมันก็อยากไปแต่ว่ามันไปไม่ได้เดี๋ยวเขาไปเที่ยวหน้ากันแล้ว ก, กันกลางนั้นทางคนว่าทางคนนี่รอจนเกิดใหม่นะั่นแหะได้ไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบไงนะพวกน้องนี่กินข้าวผัดมากไงนะผัดมันตระกันพรุ่งผัดปีแล้วปีเล่าเนี่ยนะจะผัดจนกระดูกกระเดี้ยวหักไปหมดไปไม่ได้เดค๋ยวนี้ก็รอเป็นเทวดาแล้วไปไหว้ก็แล้วกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะ จะได้ไปหรือเปล่าเขาไม่รู้เทวดาอีกนั่นแหละทำบุญให้มันดีแล้วกันนะนนการพยากรของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีผลต่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะว่ามีผลต่อพระโพธิสัตว์มีผลต่ อ, อ, อผู้ที่ตั้งความปรารถนาะที่จะตรัสรู้ตามต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นหมื่นโล ก, กาธาตุพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะ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 หลังเพื่อที่จะข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าผ่านพ้นจากศาสนาพระชินเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตการพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะมันพวกที่มาคอยบรรลุเนี่ยนะไปอ่านในอัปทานดูเถิดพวกนี้ที่ใจจดใจจอ่อรอมาบางคนรอมา91กลกับบางคนบา ง, บางกลุ่มนะเยอะเลยรอมาสี่สงงขายแสนกลับเหมือนกัน นะรอเราจะเป็นสาวกเนี่ยนะไม่ได้รอจะเป็นพระพุทธเจ้าเองอะไรหรอกรอจะเป็นสาวกบางพวกรออยู่ได้สอสงไขเศษเนี่ยนะเพราะว่าพวกที่คิดอย่างเนี้ยคิดไว้กลุ่มเสียสงไขก็มีบางพวกวก็คิดไว้อย่างนี้สมอสงไขาบางพวกก็คิดอย่างนี้ว่าขอบรรลุตามอีกสอสงไขข้างหน้าอีกสองอสงไขข้างหน้าบางพวกคิดว่าอีก4อสงีกหนึ่งอสงไขาบางพวกก็คิดมาอย่างนี้อีกค่ะอย่างพระอะไรนะพระมหากจายนะใช่ไหมเออพระพากุล พระภากุลเนี่ยนะสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยแสนกับแต่ตอนนั้นท่านไม่ได้ปรารถนาะอปรารถนาเอตตะคะตอนหลังว่าขอเป็นเลิศทางทางอะไรสุขภาพดีไม่ป่วยไม่ไข้นั่นนะแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ทําบุญตั้งความปรารถนาะตรัสรู้นะแต่ว่าใจยังไม่น้อมตรัสรูท้ท่านสร้างบุญมานานเท่ากับพระสารีบดฐพระโมคคัลลานะพระภากุลเนี่ยนะพระสองต ร, กระกูลภากุลภาคพาเนี่ยทวิเนี่ยนะแปลว่าสอง กุระก็คือตระกูลแปลว่าพระสองตระกูลคลอดอีกจับที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเลี้ยงแล้วก็สลับสองตระกูลเนแล้วทั้งคู่เป็นตระกูลเศรษฐีทั้งคู่นะในที่สุดท่านก็ครองเรือนจนอายุ80บวชตอนอายุ80บวช7วันเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาคอยดูแลอุปถักแล้วนะเพราะลูกหลานคอยดูแลท่านหมดนะดูแลรับใช้ท่านก็เปลี่ยนผ้าพแบคือเป็นพระที่สบายมากเลยแล้วก็ไม่เคยป่วยเลยไม่เคยป่วยชั้นสมอชิ้นเดียวก็ไม่เคย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 นึงอสงไขยแสนกลับบางพวกก็มาแสนกลับมาแล้วกลุ่มเอตทัคขะาอาสีติมหาสาวกทั้งหลายโดยมากแสนกลับก็สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระชนเหล่านั้นแหละบอกโอ้ โ, อโอขอได้ตรัสรู้ตามองค์ข้างหน้าเถือเ่อนะบางพวกก็รอมาแล้ว90้าสิเออถらいสาม0 0ื่นกับบางพวกก็รอมาแล้ว90เออหมื่นกว่ากับบางพวกก็เก้าสิกับบางพวกก็ตั้งคิดอย่างงี้มาเก้กับบางพวกก็ คิดอย่างนี้มา91กับบางพวกก็31อกับอย่างกลุ่มเนี่ยก็มาตรัสรู้พระในที่บรรลุทีละหลายหมื่นเนี่ยนะทีละเป็นหมื่นโกรธเนี่ยคือพวกเนี่ยเขาคิดมานานแล้วไหเพิ่งมายังใจให้สําเร็จนะตอนนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปริษยาท่านหรอกก่กอนหน้านั้นเราก็ยังไม่คิดเลยเนีนะอย่างก็ถามว่าของเราเนี่ยเกิดมาตั้งแเล็กแต่น้อยเนี่ยนะเดินผ่านวัดกันบ่อยไหมบ่อยเคยคิดจะบรรลุไหม นนะตอนสมัยสักพอรู้ภาษาบ้างเคยตั้งความปรารถนาเหมือนน้องบัวบ้างไหมอย่างเงี้ยนกะก็ยากว่างั้นขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลกุตระทรก้าในทันทีเงี้ยนะบางทีก็อาจจะปู่ย่าตายายภาวะนะบางคนอันนะั้มรซีผลสีนิพพานหนึ่งลูกนะก็ว่าไปอย่างนั้นไม่ได้อยากได้อะไรหรอกนะยายภาวาปู่ภาวะก็ว่าไปอย่างนั้นแเลยนะบางคน ก, ก็เคยว่าแต่ว่าไม่ได้เคยอยากได้เนี่ย น, นะ เ, เคยว่าแต่ไม่ได้แปลว่าอยากได้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 เหมือนบางคนในเรื่องมากนะจะทานอาหารมื้อหนึ่งต้องเรื่องต้องร้านนี้ต้องอาหารอย่างนี้ต้องสั่งแบบนี้ต้องอุย้ยกว่าจะได้ทานอิ่มนะบางคนบอกขอให้แม่จะเรียกว่าใสุงพลาสติกเอาช้อนพลาสติกมาก็ยอมเพราะมันได้อิ่มเป็นใช้ได้แล้วนะก็คือเพราะต้องการจริงๆคือต้องการความอิ่มผู้ที่ปรารถนาความตรัสรู้ก็มีความหลากหลายพระพุทองค์จึงแสดงอริยมรรคเป็นสหัสไนเป็นพันในว่างั้นนะอริยมรรคเนี่ยกลุ่มพันในด้วยกันเนี่ยนะเพราะมีความหลากหลายทางความคิดมาก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 มันพอพระพุทธเจ้าจะแสะดงธรรมาจักรนี้มากันเลยแย่กันมาเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพวกเราคอยมาตั้งนานแล้วก็มาฟังธรรมบางพวกบอกว่ามาตอนที่แสดงธรรมจักไม่ได้มาตอนไหนมาตอนยมะกะปาฏิหารมาตอนมหาสมัยสูตรมาตอนจุลราหูโลวาทสศน์หรือมาตอนก่อนจะปรินิพานก็จะมาคอยประชุมกันนะมาจากหมื่นจักรวาลเพราะสัตว์ไม่ได้มีจักรวาลเดียวมีเป็นหมื่นจักรวาลแสนจักรวาลแสนโกดจักรวาลและอนันต์จักรวาล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 ห้ยิ่งยวดขึ้นไปเรียกว่าเข้มงวดขึ้นนะนะเรียกว่าทานเนี่ยคว่าคาว่าทานเนี่ยนะอัธยาศัยของท่านคือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอัทยาศัยใหญ่เมื่อมีอัธยาศัยใหญ่ทำอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ทานคือปัจจัยสีได้สำเร็จเนี่ยนะจะให้อภัยทานได้อย่างไรอย่างอ่ให้วัตถุทานได้อย่างไรโดยที่ไม่มีขอบเขตจำกัดอ่า ะ, นะัน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 หปีเนี่ยนะครองคารวะาวิสัยอยู่หกพันปีมีปราศาสชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังคือรุจิสุรติและวัฏกะมีสนมกำนันสามหมื่นนางท่วนมีอรมเมสีคือพระนางสุจิตตาพระออรสพระนามว่าสุ ป, ปะพุทธะพระผู้สูงสุดในบุรุษเห็นนิมิตสีก็ออกอภิเนิสกรมด้วยวอก็คือรถนะนะพระองค์บำเพ็ญเพียรหเดือน พระมหาวีระเวสภูผู้นำโลกสูงสุดในหมู่นรชนอันเท้ามหาพรหมทูลอาราธนาแลว้วประกาศพระธรรมจักณอรุณราชอุทยานพระเวสภูพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัครส า, าวกชื่อว่าพระโสนและอุตตระเนี่ยนะพระโสนอุตตระนะเหมือนกับพระเทเรสองรูปที่มาประกาศธรรมในสุวรรณภูมิพระองค์มีพุทธอุปถาคชื่อว่าพระอุปสัมตะนะพระผู้สงบเนี่ยนะ พระองมีอัคาราสาวิกาชื่อว่าพระรามาและสมาลาพู้ผลักต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นมหาสาละต้นสาละอัคาระอุปถายิกาชื่อว่าโสติกะและรัมมะอัคาระอุปถายิกาชื่อว่าโคตมีและเิริมาพระเวสสภูพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะปกติพระองค์สูงหกศอกอุปมาเสมือนเสาทองว่างั้น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 พระองค์นั้นทรงพระชนยืนถึงเพียงนั้นจึงทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะเนี่ยนะพันพระองค์สามารถที่จะบำเพ็ญพระพุทธกิจช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนัยศาสตร์ทั้งหลายได้พระองค์ด้วยพระสาวกด้วยช่วยกันทําพระธรรมคือาศาสนธรรมคือสิก ค, คาสอนอันประกอบไปด้วยศิกขาสามให้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางทรงจําเนกมหาชน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 ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระสาวกทั้งที่อยู่อาศัยยุคสมัยคนในยุคเดียวกันก็อันตรธานไปศูนย์สิ้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้นะไม่เหลือเลยนะเมื่อ30กลับที่แล้วไปหากระดูกที่ไหนงั้นนะไม่มีเหลือสาซากเศษอิฐเศษปูนที่ไหนได้ไม่เหลือแล้วเนี่ยนะศูนย์สิ้นสลายไปสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพระเวสสุโพุทธเจ้าผู้ชินวรวสัสดาดับขันปรินิพานณพระวิหารเขมาราม วัด ท, ที่อยู่แล้วสบายใจนะเข้มากแล้วว่าปลอดโปร่งโล่งใจสบายใจไม่ต้องเครียดเหมือนกันนะวัดนี้อยู่แล้วสบายใจเรียกเขมารามมีพระบรมสารีริกธาตุแผ่ไปกว้างขวางเป็นส่ว น, วนในถิ่นนั้นนั้ๆพระองค์อธิษฐานให้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นี้กระจายไปสําหรับรายละเอียดในอัตถกถามธุรท่วิลาสินีที่พระพุทธตะเรียบเรียงเอาไว้เนี่ยนะ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 จนมนุษย์อายุเหลือ10ปี น, นะจนถึง10ปีอย่างพวกเราเนี่ยเท่าไหร่ก็เจ็ดแใช่ไหมเดี๋ยวค่อยลดไปเดี๋ยวก็เหลือแสดงว่าอายุมันแนวโน้มจะสั้นไม่ได้ยาวยืนขึ้น น, นะมนุษย์โดยองค์รวมของโลกไม่ได้ยืนขึ้นแต่สั้นลงก็จะค่อยๆลดลดลดเหลือ10ปีเนี่ยนะหปีมีคู่แล้ว10ปีก็ตาย น, นะแสดงว่าแต่สมัยใหม่นี่ก็เริ่มสัก สิบสก็มีคู่กันแล้วเนี่ยนะมันมันก็จะค่อยๆลดอย่างเงี้ยก็เหลือ5ปีมีคู่10ปีก็ตายเนี่ยนะมันก็อายุก็จะน้อยถอยลงไปพอถอยจนถึง10ปีก็เกิดมิจฉาสันดีขึ้นเนี่ยนะเกิดมิจฉสันดีมีความคิดประดุดสัตว์แข่งฆ่ากันอย่างมากมายหรือหรือโรคภัยไข้เจ็บระบาดลงเช่นกลุ่มอะฮิวาตกรโรคมันตายแบบตายล้างโลกเลยแหละหรือว่า โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ้างหรือว่าถูกอะไเรียกว่าสัตว์ทันตระกับเนี่ยนะเกิดการเข่นฆ่ากันบ้างมนุษย์ก็จะน้อยลงไปก็จะเริ่มมีคุณธรรมขึ้นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นเหตุให้ตาอย่างในยุโรปเนี่ยนะยุโรปเมื่อหลายหลายร้อยปีก่อนเนี่ยนะมีประชากรประมาณเก้าสิบล้านคน น, นะมีประชากร90้ล้านคนเนี่ยอหิวาตกะโรคหรือกาลาโรคขออภัยไม่ใช่อะฮวากาลโรค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 ไอ้โรคตัวนี้เนี่ยมันลงในหมู่บ้านที่ที่อีสานนะตอนนั้นที่ศรีสะเกดที่ที่ศรีสะเกดในอําเภอกุขันแล้วก็มีเขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งมีพี่น้อง78คนเนี่ยตายซะเหลือคนก็มีสองคนก็มีตายกันจนช่วยกันเอาไปฝังไปเผาไม่ทันเพางั้นมันตายเกลื่อนเมืองกันขนาดนั้นเมือม่อเมื่อแปปีที่แล้วนะที่ที่นประเทศไทยเราเนี่ยนะเรียกว่าเรียกว่ากลุ่มการระโรคนะ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 เสร็จแล้วก็พออายุน้อยเนี่ยนะมันก็อาจจะมีบัณฑิตสักคนหนึ่งมาเริ่มแนะนำเสี้ยมสอนให้ทุกคนเริ่มมีศีลมีทํารักษากุศลกรลกรมบทอายุก็ยืนยาวยิ่งขึ้นเนี่ยนะเมื่อรักษากุศ ล, ลกรรมบททุกคนก็อายุยืนยาวยิ่งขึ้นจนถึงอายุนับไม่ได้เครียกว่าอายอุนับไม่ได้ไหมายคว่าถ้าตัวเลขถ้ายังอยู่หลักตัวเลขเลขศูนย์เป็นร้อยก็ยังนับได้นะ ถ้าบอกว่าเลข0ูนถึงร้อตัวเขาบอกเลิกนับเถอะเรียกว่านับไม่ได้ก็คืออสงไขยแลว่าเลิกนับไม่ต้องนับแล้วแล้วก็ค่อยลดลงมาจนถึงอายุประมาณ 60,000 ปี 60,000 ปีเขาบอกว่าจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนะโอ้มันมันเกินอสงไขยปีมันไม่ต้องพูดถึงแสนล้านปีโกรดล้านปีหรือว่าหลายๆ10โกรดล้านล้านล้านล้านปีเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกเยอะเนี่ยจากองค์1ถึงองค์หนึ่ง ทำให้มานั่งคิดเออใครมีบุญรอพระศีอานเนี่ยนะจะกินอะไรนาะเนี่ยนะบอกแค่เจวันนี่ไม่รู้จะทานอะไรแล้วปีหนึ่งทานอะไรแล้วสิปี20ปีเนี่ยนะทานอะไรกันต้องทบุญเอาอะไรมาจะต้องใช้เสื้อผ้ากี่คู่ใช่ไหมกว่าจะถึงพระศรีอารเนี่ยนะตายเกิดอีกกี่อันนะั้ต้องถูกเผาอีกกี่ล้านครั้งเนหะ่างั้นเถอะอันนะ้นตายเกิดถูกเผาเป็นล้านครั้งอันนะักว่าจะถึงพระศีอาร์ในระหว่างนี้คิดหือว่าปลอดภัยไว้ไปทําบาปทํากรรมในระหว่างทางนะ เราว่าเดินทางไม่ประสบอุบัติเหตุทางมิจฉาทิฐิเป็นต้นเหตหมานั้นก็เคลื่อนทั้นโอกาสที่จะได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์งงนี่ยากนะนะก็ถือว่ายากจริงๆริง หรือถึงไปเกิดไม่รู้จะนับถือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปเจอรัฐที่อื่นก็เลยกลายเป็นว่าไม่นับถืออะไรอาจจะมีวัดมีบ้านอยู่ใกล้ๆที่พระพุทธเจ้าตรัตสรู้แต่ไม่เคยสนใจเลยอย่างเงี้ยนะไม่สนใจเลยอาจจะมีบ้านอยู่ใกล้ๆที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมจักรแต่ก็ไม่สนใจเลยมีบ้านอยู่แถวๆที่พระพุทธเจ้าประสูต์ที่พระพุธทพพธเจ้าปรินิพานก็ไม่สนใจเลยมาเที่ยวขอทานอย่างเดียวนะเพราะนั้อนอาจจะเป็นกลุ่มนั้นก็ได้ท่านก็ต้องประคิดให้มันดีๆนะว่าทําบุญสะสมอัธยาศัยให้มันดีๆหน่อยนะ ทำให้มันดีๆแจ๋วๆไหนจะได้มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อจะรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าถ้าไม่สังสมอัธยาศัยพุทธคุณธรรมคุณสังยคุณที่สำคัญถ้าไม่สะสมอัธยาศัยในคาสอนเอาไว้ให้ดีๆนะไม่สะสมไว้ให้ดีๆเนี่ย ก, ก็โตไัยกับโตไผและคะนี่นะพบกันใหม่เลยเมื่อไหร่